กาลันพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมะสวนาวันฝังธรรมวันศึกษา หาความรู้เพื่อมาเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำจัดความหลงที่คอยหลอกล่อให้จิตใจต้องโลกต้องโกรธอยู่อย่างไม่มีวันหมดสิ้น วันพระก็เป็นวันหนึ่งที่เราจะได้มาเสริมอาวุธเพื่อที่จะได้ว่าเอาไว้ต่อสู้กับค่าศึกศัตรูที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราวันนี้ความรู้ที่จะให้ก็เกี่ยวกับสามเณรที่มาบวชในวัดนี้ อันนี้เป็นธรรมเนียมประจำปีของโรงเรียนผู้รู้ยศสอ ส, อสอเป็นโรงเรียนในในสังฆราชูปถัมมคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาเป็นโรงเรียนระดับมัธยม1 2 3 เป็นโรงเรียนกินนอนและเป็นโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าศึกษาค่าเราเรียนค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าที่อยู่อาศัยค่าอาหารเป็นโรงเรียนที่เป็นทานคือให้เด็กที่มาริ่มเรียนนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลย เป้าหมายของโรงเรียนนี้ก็มีไว้เพื่อจะให้เด็กได้มีโอกาสได้ศึกษาวิชาทางโลกคือหลักสูตร ม, ม, มัธยมมัธยม 1-2-3 สองและได้ศึกษาวิชาทางธรรมเพราะเป็นวิชาที่สำคัญที่จะหล่อหลอมจิตใจชีวิตให้สวยงาม ให้ดีงามพระสังฆราชจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาและมีนโยบายของทางโรงเรียนเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนจะเอาเด็กนักเรียนมหนึ่งที่จบมหนึ่งก่อนที่จะปล่อยกลับบ้านให้ได้มาบรรพชาเป็นสา ม, มเณร อยู่15วันปีนี้ก็มีอยู่39รูปแล้วก็มีลูกหลานของศรัท ธ, ธาญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด น, นี้เป็นประจำก็มาสมทบอีกประมาณ25คนด้วยกันรวมกันก็มีสามเณร บวชปีนี้64รูปบวชมาตั้งแต่วันที่11อที่ผ่านมาและจะลาสิกขาในวันที่26บวช15หวันลาสิกขาวันที่26แต่วันที่25้านี้จะไม่ได้มาฉันที่ศาลาเพราะทางโรงเรียนผู้รู้ยอ่อสอ จะนิมนต์ไปฉันที่โรงเรียนถ้าญาติโยมอยากจะนำอาหารคาวหวานมาถวายสมัมมาเนี่ศาลานี้ก็มาถวายได้ทุกวันจนถึงวันที่24มีนาคมเป็นวันสุดท้ายการที่เราเอาเด็กมาบรระชาเป็นสมัมมเนธนี้ก็เป็นการกระทา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราไม่ให้คบคนพาลให้คบบัณฑิตให้คบคนดีคบคนฉลาดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดังในพระบาลีที่ทรงตรัสไว้ว่าอาเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเซวนา เอตมมังกาลมุตตมังคือการไม่คบคนพาลคนโง่าการครบบัณฑิตคนดีคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งการได้บรรพชาเป็นสัมมนเนงได้มาอยู่วัดก็เท่ากับการได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นนักปราดของโลกที่แท้จริง ผู้เป็นบัณฑิตที่แท้จริงของโลกเพราะเป็นผู้ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนได้บรรลุถึงความดีขั้นสูงสุดที่มนุษย์พึงจะบรรลุได้ได้บรรลุถึงคุณธรรมอันวิเศษที่ไม่มีมนุษย์ใดในโลกนี้จะสามารถบรรลุได้ก็คือการ บรรลุถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าใครก็ตามได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสรับรู้กับบัณฑิตอยากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้บรรลุถึงคุณธรรม ที่สูงสุดและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสมเน็นออกแรกในพระพุทธศาสนานี้คือใครก็คือพระราหุลพระราหุล น, นี้ก็คือพระราชรสของพระพุทธเจ้าที่ทรงคลอดออกมาในคืนที่ พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระไทยสะละราชสมบัติออกบำเพ็ญสมมนธธรรมอยู่เป็นเวลา6ปีด้วยกันจนตัดสรู้เป็นพระอาหลานตระสามมาสามพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับนิมนต์จากทางราชวังให้ไปโปรดญาติโยมพ่อองค์ก็ทรงสเสด็จไปพระราชวัง และไปโปรดมันดาพระบรมมสานุวงศ์ได้แสดงธรรมแล้วก็พระมเหสีของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะก็นำเด็กชายราหุลที่มีอายุประมาณหปีเข้ามากราบพระพุทธเจ้าและบอกให้ไปขอ มรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบมรดกให้แก่พระราหุลด้วยการจับมาบวชเป็นสนัมมาณให้ศึกษาปฏิบัติอยู่กับพระพุทธเจ้ามีโดยมีภาษารรบุตรเป็นที่เลี้ยงคอยอบรมสั่งสอนจนในที่สุดพระราหุล ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือตัวอย่างของการครบบัณฑิตเช่นพระพุทธเจา้าถ้าพระราหุญไม่ได้บรรบัญชาไม่ได้บวชก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะบรรลุถึงพระนิพพานได้เลย แต่ถ้าได้บวชได้ศึกษาได้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็จะได้รับคำสอนที่จะสอนให้พระราหุลมีความรู้ความฉลาดที่จะกาจัดความหลงที่หลอกให้จิตไปโลภไปโกรธไปทำบาป ท, ทำกรรมอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ผลของการทำบาป ท, ทำกรรมก็จะต้องไปเวียนว่าตายเกิดในอบายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอได้มาพบกับพระพุทธได้มาศึกษากับพระพุทธเจ้าก็จะได้ยินได้ฝังธรรมะคำสอนที่จะสอนให้ประพฤติตนให้เป็นคนดีเพื่อจะได้กำจัด การกระทำที่ไม่ดีที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลมได้ทมที่พระเจ้าทรงสอนพระราหุนที่ได้แสดงไว้ในพระไตรปิฎกก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสัจจะความซื่อสัตย์สุจริตคือการไม่โกหกหลอกลวงไม่ขี้โกสทรงตัดน้ำขึ้นมาหนึ่งขัน แล้วก็บอกพระราหุลว่าราหุลเวลาที่เธอพูดปดในแต่ละครั้งก็เหมือนเธอเทน้าในขันนี้ออกไปทีละเล็กทียน้อยถ้าเธอพูดไปเรื่อยพูดปดไปเรื่อยต่อไปน้ำก็จะไม่มีเหลืออยู่ในขันนี้น้ำที่พระพุทธเจ้าทรงหมายก็หมายถึงความดีคือสัจจะนี่เอง คนเราจะดีไม่ดีอยู่ที่สัจจะอยู่ที่ว่ามีความซื่อสัตย์สุดจริตหรือไม่ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วจะไม่ได้ถึงว่าเป็นคนดีได้จะไม่มีวันที่จะเจริญให้เป็นบุคคลที่สำคัญให้ได้เป็นพระอาริยบุคคล ลำ ด, ดับต่างๆได้นี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก่สา ม, มเณรคือสอนให้เป็นคนซื่อตรงอย่าพูดปดโกโหกหลอกลวงอย่าชอโกงแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านี่คือเรื่องอย่างเรื่องหนึ่งที่เด็กที่ ไม่เคยได้สัมผัสรับรู้กับความสาคัญจะได้มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้เพราะเป็นความสาคัญต่อชีวิตของเขาชีวิตของเขาจะดีหรือจะเลวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสัจจะความซื่อตรงนี้เองเป็นส่วนหนึ่งนอกจากสัจจะแล้วก็จะได้เรียนรู้ถึง ความกะตันยูกะตะเวทีเรียนรู้ถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาปุย่าตายายคูบาจางที่ให้ความรู้ให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงดูจนเจริญติโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ ถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ชีวิตของเราแต่ละคนก็จะไม่สามารถที่จะงอกเงยขึ้นมาได้บุคคลเหล่านี้จึงมีความสำคัญมีพระคุณกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากเมื่อเรามีเวลามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณได้เราก็ควรที่จะกระทำ เพราะจะเป็นการทำความดีให้กับตัวเราเองทำให้เราเป็นคนน่าชื่นชมยินดีไม่มีใครรังเกียจคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีจะทำให้ผู้อื่นนั้นมีความยินดีที่จะช่วยเหลืออนุเคราะห์ในเวลาที่ ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่มีความกระตันยูกตเวทีจะเป็นคนที่น่ารังเกียจจะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือเพราะช่วยไปก็ปล่าประโยชน์ช่วยไปแล้วก็ไม่มีจิตสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นเลย นี่ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จะได้ศึกษาสำหรับเด็กก็คือการมีสัมมาคาราวะการรู้สะรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้บุคคลที่สูงกว่าเราว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรกับผู้ที่สูงกว่าเรา<ม>เช่นผู้ที่มีพระคุณกับเราบิดามารดาปุญญาตายายครูบาอาจารย์ ต้องรู้จักการแสดงความเคารพมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเชื่อเป็นว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายคนเราจะเจริญหรือไม่เจริญก็อยู่ที่ว่ามีวิชาความรู้หรือไม่การที่เราจะมีวิชาความรู้ได้ เราก็ต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายเวลาผู้ใหญ่สั่งสอนอะไรบอกอะไรให้เรารู้ให้เราทําถ้าเราเชื่อฟังแล้วเราทําตามเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะคําสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นคําสอนที่จะทําให้เราได้เจริญก้าวหน้าได้เป็นคนดีนั่นเอง เพราะผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการได้สัมผัสรับรู้กับการกระทาหลายรูปแบบจึงรู้ว่าการกระทาอย่างไหนทำไปแล้วจะทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายตามมาการกระทาแบบไหนทำไปแล้วจะทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ตามมาเมื่อได้รู้แล้วก็จะได้อมาสั่งสอน เด็กผู้ที่ยังไม่มีประสบะการณ์ถ้าไม่มีการสั่งสอนไม่มีการเรียนรู้เด็กก็จะทำผิดทำถูกและอาจจะาสายเกินไปกว่าจะแก้ได้ถ้าไปทำอะไรผิดที่มีโทษรุนแรงแต่ถ้าได้รับการอบรมสั่งสอน ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเด็กก็มีสัมมาคารวะมีความว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังบิดามารดาเชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็จะได้รับความรู้ที่จะเป็นเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้ไป ก, ร, ไไปกระทํา ในสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลาย ช, ชีวิตก็จะปลอดภัยจะมีแต่ความดีมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ตามมานี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการเข้าศึกษาเข้าพบมัณดิตของพระพุทธศาสนาคือเข้าคบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลามราบวช ก็จะได้ศึกษาหลายอย่างทั้งวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตคือจะรู้จักคำว่ามากน้อยสันโดนมากน้อยก็คือเป็นการกระทาตรงกันข้ามกับความมากๆนั่นเองความมากๆหรือความโลกนี้จะนำพาให้เราไปสู่การกระทาที่เสียหายต่อไปได้ แต่การมากน้อยนี้การสันโดษนี้จะไม่พาให้เราไปสู่การกระทําที่เสียหายเลยคนที่มากน้อยนี้จะไม่ต้องไปทำบาปไปทำสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายกับตนและผู้อื่นแต่คนที่ไม่มีความมากน้อยมีความมากๆนี้ จะเป็นคนที่จะต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมเพราะเวลาเกิดความโลภอยากได้อะไรแล้วก็มักจะพยายามเสาะหาวิถีทางต่างๆเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากได้มานั่นเองถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุจริตถูกกฎหมายก็จะหาโดยวิธีทุจริต ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพอทำไปแล้วก็จะเกิดความเสียหายตามมามีโทษตามมาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางและเวลาตายไปแล้วก็จะไม่ได้ไปเกิดในสุกติไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเพราะอํานาจของความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆนั่นเองแต่ถ้ามีความมากน้อยแล้วก็จะสามารถควบคุมความโลภความอยากได้ความโลภความมากน้อยนี้เป็นอย่างไรก็คือต้องการน้อย ต้องการเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเช่นชีวิตนี้มีอะไรที่จำเป็นบ้างก็มีเพียงปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคและอาหารนี่คือสิ่งที่จำเป็นถ้าคนที่มีความมักน้อยแล้วก็จะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ มีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนึ่งหงมมียารักษาโรคก็พอใจแล้วอย่างนักบวชเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความมากน้อยสันโดษที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามมีตามเกิดถ้าไม่มีกุติอยู่ก็ให้อยู่ตามโคนไม้บ้างอยู่ตามเรือนร้านบ้างอยู่ตามเงื่อมผาบ้าง อยู่ตามทำบ้านหาเอาตามมีตามเกิดหาที่พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องมีกุติรู้ ห, ห ล, ลาราคาเป็นแสนเป็นล้านถ้ามีจิตศรัทธาผู้ศรัทธาจะสร้างถวายก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าไม่มีก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดนี่เรียกว่ามักน้อยสันเดิลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เรื่องอาหารก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดจากการได้บินทบาทไปบินทบาทมาได้อาหารชนิดใดมาจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะการฉันอาหารของผู้ที่มีความมากน้อยสันโดษนี้ไม่ได้ฉันเพื่อความสุขทางใจแต่ฉันเป็นยา เพื่อเรงนับความหิวทางร่างกายเป็นยาที่จะรักษาให้ร่างกายอยู่ไปอย่างปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นอาหารอะไรที่คนอื่นเขากินได้นักบวชเช่นพระภิกษุสามเณรก็กินได้เช่นกันมีอะไรก็กินแล้วก็กินไม่ให้มากจนเกินไป เชนในวันนี้ก็จะให้ฉันวันละมื้อก็พอการรับประทานอาหารมื้อเดียวก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายพอเพียงต่อการทำหน้าที่ของการรับประทานอาหารก็คือให้รับประทานอาหารเพื่อระ ง, งับดับความหิวที่เกิดขึ้นและป้องกันความหิวที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเร็วจนเกินไป คืออย่างน้อยก็24ชั่วโมงถ้าฉันวันละเมือ่อวอนนี้ฉันเสร็จแล้วก็จะไม่หิวจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นก็ค่อยฉันอีกครั้งหนึ่งก็พ อ, พอนี่คือวิธีอยู่แบบนักน้อยสันโดษจะทำให้อยู่รักษาศีลได้รักษาศีลสิทธิ์ของสา ม, มเณรได้รักษาศีล227ข้อ ของภิกษุได้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะอยู่แบบผ้าภิกษุรักษา อ, อยู่แบบผ้าภิกษุรับประทานอาหารแบบผ้าภิกษุสา ม, มเณรก็จะทนอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้อยู่ไปได้ไม่นานก็จะต้องศิกขาลาเพศไปก็แสดงว่าไม่มีมากน้อยสันโดษ พอที่จะต่อสู้กับความโลภความอยากต่างๆได้นั้นเองแต่ส่วนใหญ่เวลาบวชลาสิกขาไปนี้ก็มักจะอ้างว่าเพราะคนนั้นคนนี้เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุระนั้นทุระนี้มากกว่าแต่ความจริงแล้วลึกๆ ล, ลงไปก็อยู่ที่ความมากน้อยสันโดษนี่เอง ถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษแล้วจะอยู่ในศีลในธรรมได้ยากไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคารวะญาติโยก็เช่นเดียวกันถ้าคารวะญาติโยมมีความมากน้อยสันโดษก็จะอยู่รักษาศีลห้าได้รักษาศีลแปได้ไม่ทําผิดกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีความมากน้อยสันโดษแล้วก็จะต้อง ไปทำบาป ท, ทำกรรมทำผิดกฎหมายเพราะจะไม่สามารถที่จะต้านความโลภต้านความอยากได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราและลูกหลานของเราอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในความเจริญก้าวหน้าเราต้องสอนและปฏิบัติ เป็นตัวอย่างสอนลูกหลานใหม้มีความมากน้อยสันโดษและตัวเราเองก็ต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษอย่าไปฟุ้งเฟ้อเหิเหอไปหลงลเริงกับของต่างๆที่ไม่จำเป็นเช่นถ้าเราอยู่กับปัจจัยสี่ด้านเพียงอย่างเดียวชีวิตของเรานี้จะสุขจะสบาย จะไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มีปัญหาต่างๆตามมาแต่ทุกวันนี้ที่เรามีปัญหามีเงินทองไม่พอใช้ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน mm. ก็เพราะว่าเราไม่มีความมากน้อยสันโดษเรามีปัจจัยสี่แล้วแต่เราไม่พอเราอยากจะได้ปัจจัยห้าปัจจัยหมีอะไรต่างๆมากมายก่าโกง หรือปัจจัยสี่ก็มีแบบมากๆแทนที่จะมีน้อยๆก็มีมากๆเสื้อผ้าแทนที่จะมีสักสองสามชุดก็มีเป็นยี่สบสหรือเป็นร0อยชุดรองเท้ากระเป๋าก็เช่นเดียวกันข้าวของต่างๆเหล่านี้มีมากเกินไปมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่ามันก็ทำหน้าที่ได้ เท่ากับคนที่มีน้อยเช่นกินอาหารน้อยกับกินอาหารมากมมันก็อิ่มเหมือนกันคนที่กินอาหารมากกับมีปัญหาตามมาเพราะหนึ่งจะแน่นท้องสองจะมีน้าหนักเกินแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาเบียดเบียนแต่คนที่กินพอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ก็จะไม่รู้สึกอึดอัดแน่นท้องหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วแล้วร่างกายก็จะไม่มีน้ําหนักมากจนเกินไปก็จะทำให้ไม่มีโรคภัยต่างๆที่เกิดจากมีน้ําหนักเกินเช่นโรคความดันโลกหัวใจโรคเบาหวานเป็นต้นปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีอายุก็จะอยู่ยืนยาวนาน คนที่มีควา ม, มากน้อยสันโดดนี้ชีวิตจะอยู่แรงยาวนานกว่าคนที่มีความโลภมากคนโลภมากนี้มักจะอยู่ไม่เกินหกสิบเจ็ดสปีกันเพราะจะโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้เช่นอยากจะดื่มสุราอยากจะสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าสูบบุหรี่ดื่มสุราแล้วก็ อายุก็จะสั้นลงแต่คนที่ไม่มีความโลภอยากได้อะไรมากๆอยากจะเสพอะไรมากๆอายุก็จะอยู่ถึง9ก้าสิบปีร้อยปีได้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้เข้าหาบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายเราจะได้ยินได้ฟัง สิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลได้รับประโยชน์คือจะได้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็คือได้ความสุขและความเจริญนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะได้ รับเอาความรู้ที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ไปใช้กับชีวิตของตนและของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นสามีภรรยาบุตรธิดาเพื่อจะได้ให้มีชีวิตที่มีความล่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวการสแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตธนกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ่ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ